ถ้าจะพูกันตามหลักวิชาการทุกวันนี้ถือว่าทรงไทยปีเก่าตอนหลับปีใหม่ <c oughs> แต่เรายังไม่ถันทรงไทยปีเก่าไปนี่เรามาพูดกันหนเราจะเดินทางเส้นใหม่ลองดูนี่ว่าการเดินทางที่เราเดินทางมาแล้วนั้นมันเป็นขุขับเรืออมันบมเรียบร้อยบันนี้เราพยายามมาเดินทางเส้นใหม่ๆ ทางไใหม่แต่ว่าทางเดิมแต่มันเป็นมิถีรัดลัดทางก็ไม่ใกล้ไม่ไกลไปได้ทุกคนดังนั้นวันนี้จึงมาเป็นการเปิดโอกาสเริเปิดอบรมเปิดทางใหม่ว่าทางไหนเปิดทางให้คนเดินทางใหม่เริ่มแรกที่สุดจะได้ในมนูลเพื่อนจันท์ทองเพราะเป็นสมภารเึ็นจเจ้อาวัสเป็นผู้ลิเริ่มงานนี้ขึ้นมาพร้อมด้วยพระสงวัดสนามใน และญาติโยมผู้สนใจก็มาสลับตับฝังและลงมือปฏิบัติตามด้วยดังนั้นที่พูดสั้นๆวันนี้ก็อยากนิมนต์พระจั น, จนทร์ทองได้มีโอกาสยางไๆจะทำนีินมนตน์ครับขอโอกาสจากหลวงพ่อใหญ่แล้วก็เพื่อนศิษจ์สุมเนรที่อยู่ในวัดของพวกเราแล้วก็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 ห ล, ล ห, ล ห, หลายที่หลายแห่งแล้วก็ไปเห็นหลายที่หลายแห่งบางคนไอ้บางคนก็อาจจะไม่ได้ไปร่วมงานก็มีแต่ผู้ที่ได้ไปเห็นมาไอ้ว่าได้ไปร่วมงานมาอันนั้นก็ดีหรือผู้ที่ยังไม่ได้ไปร่วมงานยังไม่เห็นงานที่จัดอันนั้นก็ดีเพื่อจะได้ไมาเห็นที่นี่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 มากแต่การได้ยินได้ฟังนั้นก็ดีแต่จริงๆแล้วการได้ยินได้ฟังนั่นมันยังสู้การกระทาไม่ได้แต่การกระทำที่สำคัญที่สุดมีแต่พูดหรืไม่มีการกระทาประโยชน์มันก็อาจจะเกิดน้อยเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีการพูดไม่ได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรามีการกระทานั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะี่สูดหน้าการกระทา แต่การได้ยินได้ฟังมันที่สูจนไม่ได้นะอสถึงที่ได้ยินมากได้ฟังมากอันนี้มันยังพ่สูจนไม่ได้ที่มันจะพ่สูจนได้จริงๆคือการกระทําเอาตัวการกระทําเนี่ยมันจะที่สูจนได้และมันก็จะกล้าได้จริงๆอพิสูจน์ได้และกล้าได้จริงๆท้าทายได้จริงๆว่าธรรมะมันเป็นยังไงหรือของจริงๆีมันเป็นยังไงมันเกิดจากการฟังหรือมันเกิดจากการกระทําของเราเองหรือมันเกิดจากการสัมผัส แล้วก็เกิดจากการรับรู้มาจากภาวะภายในจริงๆอันนี้มันคนละอย่างนะเพราะฉะนั้นพี่อยากจะให้ญาติโยมผู้ที่มาอบรมนี้ได้ปฏิบัติกันมากแต่การปฏิบัติอันนี้อาจจะมากล้าจริงๆนอาจจะนะมาไม่ได้เป็นนักพูดไม่ได้เป็นนักแสดงนักบรรยายแต่ว่าพูดถึงการปฏิบัติจรนะิงๆเนี้ยอาจจะมากล้าจริงนๆะวิธีนี้นะ วิธีเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยวิธีทงคงามรู้สึกตัวเพราะจะมาได้สัมผัสมาไม่ว่าได้รับรู้มาแต่วิธีอื่นนอย่างอื่นจะมาก็ทามาเหมือนกันมันยังไม่เข้าใจมันยังทําให้ตัวเองมองไม่เห็นขอดีมาทําวิธีนี้นมันมันกล้าได้เลยเพราะเป็นวิธีที่รัดๆเป็นวิธีที่สั้นๆถ้าใครตั้งใจจริงปฏิบัติจริง เห็นของจริงจริงจงเห็นในระยะสั้นๆกันหน่อยใกล้ๆกันก็ได้ๆๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติครั้งนี้จะได้แยกกันอ่าโยมอุบาศกกับพระจะแยกไปอีกส่วนหนึ่งส่วนโยมอุบาจิกาและผู้หญิงก็แยกไปอีกส่วนหนึ่งเวลาทานอาหารเราจะไม่ได้ทานร่วมกันแต่ทําวัดก็คงจะร่วมกันแต่เวลาทานอนาหารเราจะแยกไปฝั่งนี้ผู้หญิงฝั่งนี้แล้วผู้ชายอยู่ฝั่งนี้ไม่อยากจะให้มันมันอยู่รวมกันเพราะว่าคนมันมากเวลาจะไม่พอ่ะ เวลาต่งอาหารมันอาจจะช้าไปหร ม, มาได้กินเวลาไปนานก็เคยอยากอยากจะแยกทุกครั้งก็เคยจัดกันมาเคยฟังการบรรยายเวลาทานอาหารก็มีครูบาอาจารย์บรรยายหรือนิมนต์นมาจานที่นู่นทีน่นี่แต่ตอนนี้คงจะไม่มีแต่ถ้าหลังจากสันถ้าเราแยกกันไปแล้วอาจจะมีครูบาอาจารย์มีพระที่เลียงพูดทำมาให้ฟังอบรมในตอนนั้นเลยอย่างนะี้ะอาจจะมีบางกรณี มีกระณีพิเศษล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ถ้าไม่มีอะไรพิเศษล้วก็อาจจะแยกกันอยู่ให้พระผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์อบรมเลยไม่ว่าหลังจากฉันทานอาหารเสร็จก็เป็นการพูดให้คลอนกันเสร็จเรียกตัวจากนั้นก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติกันเลยอแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่จะพาปฏิบัติหรือว่านําปฏิบัตินี้ไปเลยในวิธีการปฏิบัติสําหรับคนใหม่จริงๆคนนี้ยังไม่รู้ วิธีการปฏิบัติยังไม่เคยผ่านยังไม่เคยทํานั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าคนที่เคยผ่านมาเคยรู้จักวิธีมาเคยปฏิบัติมาบ้างแล้วเข้าใจบ้างแล้วเป็นอีกส่วนหนึ่งอาจจะแยกกันหนึ่งก็ได้อันนี้พูดถึงการการปฏิบัตินแต่วิธีการปฏิบัติอันนี้อาจจะมายืนยันได้แล้วก็พิสูจน์ได้ในตัวเองแล้วก็ยืนยันได้พิสูจน์ได้ในตัวเองไม่ได้ยืนยันคนอื่นไม่ได้กล้าคนอื่น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 วิธีแนอะมาการเลยแน่ได้อบอกได้ไน่ได้ะจะรักษาอุดมการนันนี้ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงะจะมีอย่างอื่นมาอนี้ก็ไม่ไม่มีการหวั่นไหวะจะท้าทายคนเดียวก็จะเอาแต่ะะวิธีการนี้ใครจะมีวิธีอื่นอย่างอื่นมาก็ไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่กลัวว่าวิธีการนี้มันเป็นวิธีที่ ทำให้คนไม่เข้าใจแต่ถ้าเราจะมาไนีย่ยืนยันในร้อยเปร์เซนต์ว่าเป็นวิธีที่มันทำให้คนนี่เปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยหนักเป็นเบาไปเลยในอะ้ไข่ก็เราหนักร้อยกิโลเมื่อเรามาทำคมรู้สึกตัวไปจเจริญสติไปทำคมรู้สึกตัวไปนะถ้ามันเข้าใจแล้วมันจะโยนทิ้งไปเลยหนะรือว่ามันจะสลายไปเลยอย่าง้ได้ไอ้ไข่ก็มันจะหลุดไปนะ และจริงจริงวิีนี่มันจะจางไปนะมันจะจางไปมันจะหมดไปมันจะทําลายไปค่อยๆหมดฤทิดไปหรือจไปถึงที่สุดมาเลยก็ได้แต่ถ้าใครรู้แนวทางวิธีการปฏิบัติเนี่ยมันจะเข้าไปเลยมันจะเข้าไปคล้ายๆกับมันจะเข้ากระแสย่เี้มันจะไปเรื่องมันเลยไปเรื่องของมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นารรมาจึงกล้าจริงอะไรย่างนีอันนี้พูดถึงเรื่องวิธีการปฏิบัติธรรมาก็จะพูดไปแขนงี่ก่อนแล้วต่อไปก็ แต่อะไรล่านารอกขอให้โอวาทหรือให้วิธีการปฏิบัติแก่พวกเราเพืม่ให้ประการเสียเวลาอันนี้ก็ขอล่าธนารองข้นี้นถ้าหากพูดจริงแลยหลวงพอต้องพูดจริงสัน้นเพราะว่าการยืมเอาคํำพูดของคนอื่นและสําเนียงคนอื่นนั้นมันปวดหัวไม่ได้ตั้งแนวความคิดไว้ถ้าเป็นภาษาบ้านตัวเองและสําเนียงตัวเองจริงๆแล้วไม่ต้องถามใครไม่ต้องหวันไว เดี๋ยวนี้การศึกษาเล่าเรียนจะเป็นทางทฤษฎีก่อนนะพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียและา่าหลักสูตรตามหลักวิชาการทางโลกชอบมาจะทางฝ่ายฝรั่งเศสความจริงหลักพื้นฐานของคนไทยจริงๆนั้นมีน้อยที่สุดตามครูบาอาจารย์ร้อยฟังว่าหลักวิชาการตัวหนังสือก็ไม่พอจําเป็นต้องไปยืมหนังสือจากประเทศอื่นหรือคาพูดจากคนอื่น มาสอนของคนไทยแก้ความจริงคนไทยก็สมบูรณ์แบบอยู่เมืองกาจีอ่ะคนไทยแท้ไม่ใช่เป็นทาสของใครเป็นคนไทยแท้ถ้าเป็นทาสของคนนั้นเป็นทาสของคนนี้ไม่ใช่เป็นคนไทยไม่ใช่เป็นอิสระคนไทยเนี่ยหมายถึงว่าเป็นทินดินแดนของคนไทยมัได้เป็นเมืองขึ้นของฝ่ายเจ้าเทอกันและจิตใจของคนไทยพอเช่นเดียวกันไม่ยอมให้กิเลสที่ สกปรกนั้นปกคุมได้จริงว่าเป็นคนไทยจริงว่เป็นอิสระคําว่าอิสระในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าอยากทําอันไรทําไปตามชอบใจอยากพูดอันไรพูดไปตามชอบใจอันนั้นโบแมนคําว่าตามใจความผิดตามใจสิเลสคําว่าอิสระนี่หมายถึงผู้มีระเบียบวินัยอย่างที่พระพุทธเจ้าเราเคยได้ยินพระพุทธเจ้าเป็นอิสระทแท้ๆจิตใจเข้าถึง ค่วมพ้นไปจากค่วมเป็นทาตของค่วมลงผิดจึงเป็นอิสระถ้าหากว่าข่วมลงผิดยังครอบงำอยู่โบมินอิสระเนะมือ่อเน่ก็เป็นการเปิดอบรมที่ได้บอกไว้ว่าเราต้องเดินเส้นทางไม่ลงดูแต่ทางเก้าก็ดีแล้วที่เราถลึเดินมาทางไม่เป็นหลักวิชาการสั้นๆทางสั้นๆและก็ทางที่เรียบเตียนดี ทางเก uh ้านั่นคือทางงโค้งยาวไกลบางทีอาจจะไม่เรียบร้อยใคได้ทางอาจจะขู่ขัะเพราะว่าเป็นเรียนลอกแบบมาจากในประเทศอินเดียคนไทยจะแปลภาษาอินเดียจากท้องตัวขนาดไหนก็ยังไม่ถูกเพราะว่าจำนวนเสียงจะเป็นอักษรต่ำอักษรสูงอักษรกลางเลวพอบ้เข้าใจเลขตัวหนังสือจะเที่ยงกันไปรวดทันที แม้สมมติหลวงพ่อเองคนเดียวพูดจี่นี่ก็เช่นเดียวกันญาติโยมจะตีความหมายคำพูดของหลวงพอ่อหลวงพ่อพูดอย่างนั้นเป็นเสียง น, น่อาจจะเพลี้ยนไปจากคำพูดหลวงพ่อก็ได้เพราะหลวงพ่อพูดทุกคนจริงใจที่ว่าวางแผนไว้เรื่องวิธีการเหล่านี้หลวงพ่อก็เสื่อมมั่นในตัวหลวงพ่อเองอย่างทีพนกันทองเสื่อมมั่นในการกระทาของท่านเอง ฉังนั้นท่านก็บอกไว้เมื่อกี้นี่ว่าญาติโยมอาจจะฝังจำได้บางคนอาจจะจำไม่ได้ถ้าส่งองค์เจ้าก็เช่นเดียวกันบางคนอาจจะจำได้บางคนอาจจะจำไม่ได้เท่าไปเปิดอบรมตามอาเภอและจังหวัดต่างๆหรือหมู่บ้านตำบลต่างๆถ้าส่งองค์เจ้าก็ไปแด้วไปประสบการณ์นัไปดูแผนสารออกมาก็ทาเหมือนเดิม แสดงว่าไปดูด้วยตาซเฉยๆไปประสบการณ์ด้วยตาซืฉยๆยังว่ามีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากเราไปดูแผนการไปประสบการณ์ซึ่งในมือบุคก็ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างที่เพื่อนันทรองวาเมื่อกี้นี่ว่าสําหรับวัฒนธรรมในการเปิดอบรมให้ญาติโยมและเพื่อนพิสูจน์สมณีเข้ามาพิสูจครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นบางหมดบางต่อท่านก็จะทําตามอดุดมการของท่านก็ต้องเป็นอย่างไรบันนี้พวกเราเป็นผู้มาปฏิบัติก็ต้อง ค่อยฟังดูจะมีเม็ดหนักเบาเนี่ยเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นการทองนะตัวอัตมาเราไม่ใช่เป็นจันรทองนี่คนเละคนกันญาติโยมก็เช่นเดียวกันเราต้องเอาขวดพิสูจน์พิสูจน์ได้จริงแล้วก็ได้ควมจริงหมาพูดอันนั้นเออมีความกล้าหานแท้บางคนกล้าระบ้านแล้วก็มีนะพาเนี่ยมันหลงเพรว่ามีพากล้าระบ้านสําเร็จบุรีเนถ้าเป็นเหล็กแม่เหล็กเดียวจริงๆแล้วตีจุกเสียม มีดพาเป็นเล็กแข็งบอบาดแล้วกับบเป้ฟันได้อยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นเล็กเลื่อมแบบเนี้ยแม่จะจุบกล้าขนาดใดให้เป็นเล็กดีๆกับไปฟันกันยังอ่อนอยู่างสั้นเป้แต่บานบมัมีถ้าเป็นเหล็กก้าแบบเนี่ยเต้บมัมีมีแต่บานถ้าคำบอบบ้างกับฟันได้ดีมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นการฟันญาติโยมก็เช่นเดียวกันพระทรงองค์เจ้าก็เช่นเดียวกันฟังให้เป็น และก็นำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง